วิทยาลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์ส9งห้าเสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้บริการตรวจรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผ่นไทยหัตถบำบัด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 89.5 เมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรรัสุิพแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ต สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m ทูเ d ย์เรดินะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับผมบอกอรมิงนะครับพี่มิงค o m ทูเดยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่ล่ะถ้านับปฏิทินนใหญ่เลยนะฮะวันจันทร์ที่เอ๊ะที่เท่าไหร่ <laughs> แย่แล้วจำไม่ได้นะอ่ะช่างมันเถอะจำไม่ได้ความจำชักเริ่มเสื่อมโสมช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ นำเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลไลฟ์สไตล์มาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้พี่มิงมีประเด็นที่น่าสนใจนะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดโซเชียลกับนักกีฬา เออมันมีผลยังไงนะครับหลายคนก็อาจจะมันเกี่ยวมันด้วยหรอเดี๋ยววันนี้พี่มิงจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับมันจะมีประโยคอยู่ประโยคนึงนะครับที่เราจะได้ยินอยู่เสมอๆนะฮะเวลาเวลาผู้ใหญ่เขาพูดกับกับเด็กๆนะเนาะว่าเอ้ยเด็กสมัยเนี้ยมันอย่างงั้นอย่างนี้น อ, นอ่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะฮะเขาบอกว่าคําพูดในในในประโยคข้างบนเนี่ยเชื่อว่า หลายๆคนนะท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็ไม่น้อยไม่มากก็คงต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการพูดคุยหรือว่าได้สัมผัสกับความรู้สึกที่มีต่อคนรุ่นใหม่ๆนะอันนี้สำหรับพี่หมิงหรือคนรุ่นใหม่ๆก็คงจะเคยได้ยินประโยคนี้จะ ผู้ใหญ่ที่ชอบบ่นผลตรงนี้นะคความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยแล้ววันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาเป็นเรื่องปกติที่คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยมักจะไม่ถูกใจหรือเห็นด้วยในสิ่งที่คนรุ่นหลังคิดหรือทำผิดแผกไปจากสิ่งที่พวกคนรุ่นก่อนเขาเคยทากันมาก่อนนะครับคนในเจเนเรชันเบบี้บูมก็อายุเยอะแล้วนะก็คิด หรือรู้สึกกับคนที่ Gen X Gen X ก็คือคนรุ่นพี่มิง้งแบบหนึ่งเช่นเดียวกันคนใน Gen X ก็รู้สึกกับคนใน Gen Y อีกแบบหนึ่งอย่างไรก็ดีนะครับจากความเปลี่ยนแปลงบนโลกที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและทำให้คนรุ่นหลังก็คือ Gen C Gen C หรือ Gen Z ที่เกิด หลังปีคศ1995เป็นต้นมาเนี่ยมีความแตกต่างจากคนในเจเนเรชันก่อนอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับค่านิยมความคิดการอ่านพฤติกรรมออของพวกเขาก็มีความแตกต่างกันแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญของความคิด อ่านที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนก็คือการที่พวกเขาเติบโตมากับเทคโนโลยีอ่านนี้คือพอ i ต์ละโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียซึ่งความจริงการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีผลกระทบต่อคนทั้งโลกนั่นแหละครับพ่อแก่แม่เท่าคนรุ่นพี่มิง้งคุณพ่อคุณแม่ของพี่มิง้งโดนหมดเนะี่ยทุกคนก็สนุกสนานกับการเล่นสมาร์ทโฟนและโซเชียลเพียงแต่ สำหรับคนที่เกิดมาก่อนพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยคนที่เกิดมาต้องเรียงให้เกิดไม่ให้เกิดมาก่อนคนที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยพวกเขาอาจจะมีภูมิต้านทานกับพวกเน็ตน้อยกว่าคนรุ่นก่อนเพราะคนรุ่นก่อนเนี่ยเกิดมาก็ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าการที่เอ้ยตอนนี้ไม่ได้เล่น Facebook หรือไม่ได้ส่งไลน์สักแป๊บหนึ่งเนี่ยจะมีความกระวนกระวายใจอะไรมากายขนาดนั้นนะฮะ หนึ่งในเรื่องดีที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของสมาธิที่สั้นลงนะครับไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานๆเป็นยังไงล่ะครับสำหรับคนทั่วไปมันก็อาจจะจะกระทบกับเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการทํางานอยู่บ้างก็ไม่เยอะนะมีบ้างนิดหน่อยแต่สําหรับนักกีฬาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและเรื่องใหญ่มากโดยเฉพาะกับบางวงการกีฬาที่ต้องแข่งขันกับตัวเองมากกว่าแข่งขันกับคนอื่นอย่างเทนนิสหรือว่ากอล์ฟนะฮะผลกระทบ จากการที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นทําให้เราอาจจะไม่มีแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างในอดีตอีกเลยอันนี้เขาพูดกันถึงประเด็นขนาดนี้เลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันเล่นๆครับเพราะว่ามีนักจิตวิทยาตั้งข้อสงสัยไว้อย่างน่าสนใจเรื่องนี้ว่าย้อนหลังกลับไปกับในการแข่งขันเทนนิสวิมเบอร์ตันนะฮะเมื่อเดือนก ร, รกฎาคมที่ผ่านมานะฮะกรกฎ า, าคมที่ผ่านมาเนี่ยดร์มาร์คโควสนะฮะนักจิตวิทยาและโค้ชชาวอเมริกันซึ่งเคยร่วมงานกับนัก อย่างโนวาเนี่ยก็ปาไปเท่าไหร่แล้วแหละ3ามาฟาเอลก็33นะโรเจอร์ก็38แล้วนะแต่ละคนก็30อัพทั้งนั้นระหว่างพวกเขาทั้ง3คนกวาดแชมป์ระดับแกรนสแตรมแกรนสแตมรวมกันแล้ว54รายการรวมถึง11รายการหลังสุดขณะที่เขียนอยู่นะที่เขาวิเคราะห์อยู่นะคนสุดท้ายที่ไม่ได้อยู่ในบิ๊กทและกวาดสสแตมกวาดสแตรมได้ก็คือ สเตนวาลินกาในปี2016ซึ่งเขาก็อายุ34แล้วนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเจนซีด้วยอย่างที่บอกตอนต้นนะฮะนัทเทนิดในระดับท็อกเทของโลกที่อยู่ในเจนซีที่อายุน้อยกว่า24เนี่ยมีด้วยกัน3คนก็คือ Alexander, เอเล็กซานเดอร์แล้วก็เดนิสแม็กเวเดฟแล้วก็คาเรนคาสานอฟนะฮะโดยทั้งหมดไม่เคยได้แชมป์แกลนสแลมเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ ข้อความของดร์คอวัสด์ถูกรีทวิตโดยจูดี้มารีคุณแม่ของแอนดี้มารีอดีตแชมป์วิมเบร์ตันและนักเทนนิสขวัญใจตลอดกาลของคนอังกฤษและพี่ชายของแอนดี้คือเจมี่มารีซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติอังกฤษและเป็นกัปตันทีมที่ทําหน้าที่ลงแข่งขันในรายการเฟกคัพมาแล้วนะครับคุณแม่ของจูดี้ซึ่งก็เป็นโค้ชที่เก่งคนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็มีสวนป้าลูกชายจนได้เนี่ยยังคงสอนเด็กๆอยู่ ซึ่งจากสิ่งที่เธอเอ่ยให้เห็นก็คืออดเป็นกังวลกับเด็กสมัยนี้ที่ใช้เวลาในการเล่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและของเล่นอื่นๆซึ่งล้วนแต่มีผลกับสมาธิทั้งสิ้นนะครับเขาเขาพูดถึงตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเทนนิสเป็นเรื่องที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาส่วนตัวหาทางออกด้วยตัวเองและคิดถึงสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบต้องเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งของเราและอีกฝ้าของตาข่ายสนามด้วยเช่นกันคุณแม่จูดี้เคยกล่าวไว้ว่า เราต้องคิดอย่างรวดเร็วการตัดสินใจจึงมีความสำคัญมากมากและในปัจจุบันนะครับมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่มาช่วยคิดแทนคนเรื่องนี้ทำให้ตัวคุณแม่เนี่ยกังวลใจมากที่เห็นคนปัจจุบันนี้พึ่งพาอุปกรณ์เหล่านี้มากจนเกินไป น, นะครับ mm hmm. เพื่อให้เห็นภาพนะฮะภาพขอยกตัวอย่างนิดหน่อยเอาเรื่องแค่พื้นฐานเรื่องการจาหมายเลขโทรศัพท์ก็แล้วกันจากในสมัยก่อนเนี่ยคนจะท่องเบอร์โทรศัพท์กันได้หรืออย่างน้อยก็จด หมายเลขลงไว้ในสมุดซึ่งการค้นหายก็ต้องจำได้ว่าจดไว้ในหน้าไหนปัจจุบันเนี่ยแค่กดไม่กี่ปุ่มก็สามารถที่จะเรียกเบอร์โทรขึ้นมาได้นะหรือบางทีถ้าเราใช้พวกสลิหรือว่าไวซ์ไต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งการได้เลยนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัา ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University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 ความง่ายดายในชีวิตที่เกิดขึ้นทําให้นักกีฬาสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของความพยายามเรื่อยเป็นจนถึงเรื่องของการอดทนรอคอยและความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะครับเดวิสเชมมอล์ดนะฮะอดีตฮูน่าเอ่อไม่ใช่อดีตทั้งฮูน่าศูนย์ฝึกเทนนิสเยาวชนในเมืองบสัสประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือนะฮะที่ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางจิตใจสําหรับการเล่นเทนนิสอธิบายเรื่องนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าในขณะที่นักกีฬาอย่างนาดาน แล้วก็คนรุ่นเก่าเนี่ยที่เก่งในระดับพักการเนี่ยอยู่เนี่ยแต่ละคนแทบจะไม่เคยหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นในระหว่างที่อยู่ในสนามหรือในการซ้อมตรงข้ามกับพวกนักกีฬาหนุ่มหนุ่มที่เมื่อซ้อมในยิมจบเซตหนึ่งระหว่างนั้นพวกเขาก็จะหยิบมันขึ้นมา นั่นหมายถึงสมาธิและความจดจ่อระหว่างนักกีฬา2รุ่นเนี่ยมันไม่เท่ากันและในรายการระดับสําคัญของโลกอย่างแกนลสแลมความแตกต่างของสมาธิในการเล่นนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในชั้นแยกระหว่างผู้ชนะกับผู้แพ้ได้อย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับในนัดชิงนะเหมือนกับในนัดชิงชนะเลิศเทนนิสวิมเบอร์ดันปีนี้นะครับระหว่าง f e d e r e r กับ y o โคว i สที่แข่งกันยาวนานถึง5เซตใช้เวลา4ชั่วโมงกับ57นาทีและเชื่อฉือนกันจนหยุดสุดท้ายคำถามก็คือถ้านักกีฬารุ่นหลังจะมีใครที่สามารถรักษาสมาธิตั้งจิตใจในการต่อสู้ในสนามได้แบบนักกีฬารุ่นเก่าแบบนี้บ้างเออเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับสำหรับแซมอนนะครับเขาไม่เชื่อว่าจะมีนักกีฬาสมัยใหม่ที่ทำแบบนี้ได้ ตราบใดที่พวกเขายังใส่ใจกับการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือคิดแคปชั่นสำหรับอินสตาแกรมากกว่าจะสนใจและทำหน้าที่ในสนามนะครับไม่นับเรื่องของทักษะทางร่างกายที่เด็กสมัยใหม่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดทักษะพวก coordination หรือว่าความสัมพันธ์ในการใช้กล้ามเนื้อนะซึ่งเกิดจากการที่เด็กๆสมัยนี้เอาแต่เล่นมือโทรศัพท์มือถืออยู่บนโซฟาไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นเหมือนเด็กสมัยก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่จูดี้ได้เห็นจากการสอน น, นักเทนนิสตัวน้อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับ ความจริงเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีในวงการเทนนิสนะครับคือมีทุกองค์การเหมือนอย่างในวงการฟุตบอลนักเตะสมัยใหม่มักจะโดนวิจารณ์ว่าเป็นห่วงโซเชียลมากกว่าการลงสนามห่วงยอดไลฟ์มากกว่าผลการแข่งขันนะครับอย่างไรก็ดีอีกมุมหนึ่งคิดว่ามันก็ไม่ถูกนักที่จะโยนความผิดให้กับพวกเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ย เราอาจจะต้องมองย้อนกลับมาว่าแล้วที่ผ่านมาเราสอนหรือดูแลพวกเขา <c oughs> ได้ดีหรืออย่างแทนที่จะปล่อยให้พวกเขาเดาเนินชีวิตและใช้จ่ายวันเวลาแบบผิดๆแล้วก็คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็ปล่อยเข้าไปแล้วสุดท้ายก็ไปโทษเขามันก็อาจจะไม่ถูกนะครับรายการ Comtoday สนับสนุนรายการโดยบริษัท a i i p จำกัด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 สายลมพัดผ่านเนินานสักเพียงนให้รับรู้ว่าความคิดถึงคงฉันเองผ่านสายลมฝากแสงดาวมาส่งให้เธออาจอยู่ในเสียงเพลงรักเก่าซึ่งใจได้เสมอความคิดถึงก กำลังส่งตรงไปหาเธอจากหัวใจที่เฝ้าคอยเธออยู่ตรงนี้เวลาที่เราต่างคนต่างไกลกันร้างนั้นยังผูกพันไว้ข้นงข้างกายอาจมีนทีที่เราใจตรงกัน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 ไปแล้วก็ยังเจอความคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงเธอเหลือเกินคําคืนที่แสนดาวร้อยพันถ้าเทียบกับใจฉันความคิดถึงมันเกินกว่าเอาแผ่นฝ้า จะเหมือนลมที่หายใจเข้าออกเคียงเธอเวลาที่เราต่างคนต่างไกลกันร้างนั้นยังคุกพันไว้ข้างกายอาจมีนกทีที่เราใจตรงกันมาท้องฟ้าทะเลจะมีมาควงกัน คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอความคิดถึงไม่ต้องพึ่งบติหารเพียงแค่าสายลมพัดคือใจฉันเมันรีคาเธอความคิดถึงมองไม่เห็นแต่อยู่รอบๆตัวเธอหลับไปแล้วก็ยังเจอความคิดถึง คิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดถึง สายลมพัดคิดใจฉันมารีคาเธอความคิดถึงมองไม่เห็นตื่อยู่รอบๆตัวเธอหลับไปแล้วก็ยังจะความคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงยังคิดถึงเธอเหลือเกิน วังกี่ครั้งถึงพอใจเออเปิดเพลงรักฟังอยู่คนเดียวไม่รักครั้งเดียวมันเปลี่ยวหัวใจมองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใครทำไมต้องเป็นเราคอยปล เขาจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องม่สักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้เมื่อะไรเพราะส่งใครมารักฉันทีอยู่นี้มันนาวเกินไปยา จะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโ อ, โอโ้โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวได้ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั ทนไม่ไหวพยายามห้ามใจไม่ได้สักวันอยากรู้จริงว่าคนเขารักกันมันเป็นเช่นไร ใครมารักฉันทีอยู่อันนี้มันนาวเกินไปอยากจะรู้รักแทนมันเป็นเช่นไรไมีจริงใช่ไหมโอ้โห โ, โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ I l o v k someone else. รายการคอมทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเ m 8 9อ็มแปดเกรสองเบรกที่แล้วพี่มิงพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียสมาร์ทโฟนมีผลอย่างไรกับการเป็นนักกีฬาที่ชนะนะครับมา เบ ak ต่อไปนี้ขอเปลี่ยบรรยากาศมาแต่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลไลฟ์สไตล์ที่เราพูดถึงกันตรงนี้นะครับก็ยังคงเกี่ยวกับ Gen ซนะครับเพราะว่า Gen ซก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่แล้วปัจจุบัน Gen ซมีผลยังไงกับรีเทลนะฮะความสําคัญของเจเนเรชันซีหรือแซเนี่ยกับธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิมมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อของออนไลน์เอาแล้วขี้เกียจไปที่ร้านอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่เรามักจะกล่าวเสมอเมื่อ ใครสักคนก็ตามที่ชวนเราไปที่ร้านค้าแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่รวมทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันหรือแม้แต่ร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะด้านต่างๆเพราะว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมั น, ม, นมันเสียเวลาซื้อออนไลน์มันง่ายแตะแตะแตะเลือกเลือกก็ซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้น ไม่แปลกใจว่าทำไมช่วงปีหลังๆเรามักจะเห็นร้านค้าที่เป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมที่มีร้านตั้งต่างหานให้คนเลือกซื้อของทยอยปิดตัวกันไปเยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่เป็นเทรนดที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเราบอกว่า ในอเมริกาปี2017เนี่ยแค่ปีเดียวมีร้านค้าปิดไปมากกว่า 7,000 แห่งรวมถึงบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็ประกาศล้มลายไม่ว่าจะเป็น Choice US หรือโอ้โหเยอะแยะเลยนะหรือแม้กระทั่งนะ RadioShack แบรนด์ใหญ่ระดับโลกยังต้านกระแสธุรกิจอีคอมเมิร์ซไม่ไหวปรับตัวไม่ทันและพ่ายแพ้ไปแล้วเหล่า Gen X Gen Y ก็เลือกที่จะสั่งของออนไลน์มากกว่านักวิเคราะห์ทางด้าน การเงินและธุรกิจมากมายต่างลงความเห็นว่านี่คงเป็นกระแสที่ไม่มีทางโวนกลับและอาจจะเป็นจุดยุคสุดท้ายของธุรกิจสําหรับร้านค้ารุ่นเก่าที่เราคุ้นเคยกันแล้วแต่ในความจริงแล้วกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีหลายธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ปรับตัวได้และสร้างสิ่งที่ดึงดูดจับความสนใจของกลุ่มนักชอปรุ่นต่อไปที่เรียกว่าเจเนอเรชันซ ที่เกิดขึ้นช่วงปี 1,994 จนถึง 2,115 ได้นะฮะได้ดีกว่าซึ่งกลุ่มเจเน r เรชันนี้หรือเรียกว่า Gen Z เนี่ยกำลังเติบโตเป็นวัยรุ่นบางคนก็เริ่มเข้าสู่วัยทำงานบ้างพวกเขามีกำลังซื้อที่มากถึง 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐและสามารถชักจูงและโน้มนาวคนรอบตัวให้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่สูงถึง600ล้านคนเออ600ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับ เจเนอเรชัน4เนี่ยมีลักษณะเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ด้านการเมืองสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปจนถึงเศรษฐศาสตร์นะฮะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนในยุคก่อนพอสมควรนะครับเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เป็นดิจิทัลเนทีฟหรือว่าเด็กยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบยุคแรกซึ่ง ธุรกิจใดก็ตามที่ต้องการคว้าโอกาสในการเข้าถึงกระเป๋าสตางค์คนกลุ่มนี้จะต้องทําการปรับตัวครั้งใหญ่ต้องเข้าใจว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นใครต้องการอะไรและแบบไหนเพื่อที่จะทําให้มันสนใจกับกลุ่มเหล่านี้นะครับอย่างแรกก็คือมีคนกลุ่มที่ต้องการที่ไม่ใช่แค่สินค้าที่ทันสมัยเพียงเท่านั้นแต่ต้องการสินค้าเติมเต็มประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นของจริงธุรกิจต้องกลับมาคิดใหม่ว่าจะนําเสนอคุณค่าที่เหนือกว่า แค่การได้ครอบครองสินค้าแต่ละชิ้นยังไงเพราะว่าคนเจเนอเรชันนี้ต้องการบางอย่างที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเองและเป็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อธุรกิจการค้าดั้งเดิมที่เติมเต็มประสบการณ์ตรงนี้จะสร้างโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้บอกต่อในกลุ่มเพื่อนและค้นพบบางอย่างที่ตัวเองเห็นคุณค่าเพื่อได้เรียนรู้ได้ทดลองซึ่งถ้าลองดูอย่างโมเดลของพวก House of Van หรือ Kit Kat Factory พวกเขาลุ้นทำออกมาให้เป็นอย่างดีนะแล้วก็เติมเต็มประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียว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 เอแรงที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเองดีกว่าเอาไปเสียน้ำตาเก็บเอาใจเก็บเอารักที่หายเขาไปเก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคย s h i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 ก็ยังคงอยู่ในเรื่องต่อเนื่อง ก, ก, กันกับเรื่องของคนรุ่นใหม่กับร้านรีเทลหรือการขายรีเทลนะฮะเขาบอกว่าคนรุ่นนี้ให้ความสําคัญกับจริยธรรมมาเป็นลําดับแรกนะครับประเด็นที่สําคัญของธุรกิจในอนาคตต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมและคุณค่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคนรุ่นนี้เติบโตมากับโลกที่เปลี่ยนแปลงระบบการเงินนะฮะที่เละเทะวิกฤตเศรษฐกิจสงครามทางการ ะตะ ว, วันออกกลางที่ยืดเยื้อยาวนานนับตั้งแต่พวกเขายังไม่เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่การเมืองที่ไม่โปร่งใสพวกเขาเป็นแกนนําที่สร้างความเคลื่อนไหวให้ใหกับเรื่องสําคัญสําคัญอย่างสาภาพแวดลออ้อมสาภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไปความเท่าเทียมของเชื้อชาติสีผิวเพศสาภาพพวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของอิสรสภาพสิทธิมุต สิทธิมนุษยชนเนี่ยความยั่งยืนของระบบนิเวศซึ่งแน่นอนนะครับคุณค่าเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการนะครับจากการสำรวจของ Green March บอกว่า 72% ของคนกลุ่มนี้เนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มถ้าสินค้าและบริการของพวกเขาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนดูแลโลกเมื่อเทียบกับกลุ่มมิลเลนเนียลหรือเจนวานั่นเองนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายั ย, า ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม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 รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องอยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้เธอมีเหตุผลอะไรสักอย่าง ที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุขแต่ว่าเธอไม่ได้รักกันแต่ฉันรักรักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ฉันรู้ เธอต้องไปแต่อยากจะขอร้องเธออีกครั้งโปรดรักฉันรักฉันเธอนะนฉันไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เข้าหม่ไหวเทียมกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดี โปถามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอแต่เราับเราตายงหลงโลโลรู้ว่าราหว่างเรานั้นมีบาง รู้ทุกครั้งที่เรามองตายังทำให้ใจของเธอสัน่นทุกอย่างที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริงเพราะฉันรอรักเธอไปแล้วทั้งใจรู้ฉันรู้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 เพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอ ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียมกับใครที่เธอมีแต่รักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ห้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียมกับใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูลลเธอให้ดีโปรดํามใจเธออีก เพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอเพราะทั้งใจฉันมีแค่เธอ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 ร้านรีเทลหรือการขายของก็คือเขาบอกว่าต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงระหว่างมิลเลนเนียลหรือคนเจนวายกับเจนแซเพราะว่าลูกค้าสองกลุ่มนี้ต้องการสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะบุคคลพวกเขาพร้อมจะจ่ายเงินมากขึ้นถ้าได้สินค้าที่เป็น p e r s o n a l i z a t i o n นะฮะในขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อด้วยเช่นเสื้อยือดพิมพ์ชื่อของตัวเองที่ทาขึ้นมาจากส เ, เส้นได้ ของขวดพลาสติกรีไซเคิลในแอฟริกาเพื่อช่วยเด็กกำพร้าท้องถิน่น ส, สินค้าเหล่านี้จะสร้างมูลค่าในความคิดของคนกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เลยนะแล้วก็พร้อมที่จะควักเงินออกมานะครับ นอกจากนี้ก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับโลกดิจิตอลก็คือออนไลน์สโตร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไปเสียแล้วในตอนนี้เรียกว่าเป็นของที่ต้องมีควบคู่ไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมนะฮะคนรุ่นใหม่นั้นจะใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อการเข้าถึงสินค้าและสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการเชื่อมต่อกับร้านค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์บางคนอาจจะหาข้อมูลออนไลน์ก่อนดูรีวิวและหลังจากนั้นก็เดินไปที่ร้านเพื่อลองก่อนจะตัดสินใจซื้อด้วยดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะอันนี้ก็เป็น พฤติกรรมของสมัยนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเห็นบางอย่างจากที่ร้านแล้วหกไปหาข้อมูลที่ออนไลน์แล้วก็มามีดิวที่ดีกว่าไหมก็คือพูดง่ายๆว่าตรงไหนราคาดีกว่าข้อซื้อตรงนั้นนะครับผลกระทบของออการเชื่อมต่อนะฮะ Gen4 เติบโตมาพร้อมกับโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นอินสตาแกรมสแนปแชทเฟซบุ๊ o ทวิตเ t อร์เหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วพวกเขาจะ โน้มแนาวด้วยคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มที่ตนเองใช้โดยที่ไม่ได้เพียงแค่เลือกติดตามเหล่าดาราหรือเซเลบที่ตนเองชื่นชอบอย่างกลุ่มบิลิเนียนพวกเขาต้องการหาคนที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตซึ่งก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเหมือนเขาแต่ว่ามีความคิดมีแรงบันดาลใจซึ่งเขาจะติดตามอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้มากถึง 1.3 เท่าถ้าเทียบกับสินค้าที่ถูกโฆษณาโดยดาราก็คือจะเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากกว่านั่นเองนะครับผลกระทบของการเชื่อมต่อมี ก็ต้องอยู่บนแพลตฟอร์มเขาเรียกต้องอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันบางคนเจออะไรบางอย่างบนไ G แล้วไปหาข้อมูลต่อใน YouTube พูดง่ายว่าเขาดูจากข้อมูลหลายๆที่การเติบโตของกําลังซื้อในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเขาก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหน้าต่างธุรกิจแบบดั้งเดิมเลยทีเดียวนะฮะก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องมีการเตรียมตัวนะเพราะว่าคนรุ่นพิมิกก็เขาเรียกว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเจน y ก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เมื่อเติบโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นกลุุุ glaub, ่่มมกกกกกํําาาาาลลััังซื is, ้ move, ้ออหในนนนคตตเพรรระะฉธธิิจจไทททย็ี ที่จะให้ยั่งยืนก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับพรุ่งนี้พี่มิ้งก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดถึงชีวิตติดรีวิวเอ๊ะทําไมต้องติดรีวิวติดอย่างไรติดแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเวลาของวันนี้เนี่ยก็ไล่กันมาเยอะแล้วนะฮะก็ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ก็เว็บเอไอพีแฟนดอทคกับคอ m มัด t ทยแลนด์นะครับส่วนงานอีเวนต์จะมีวันที่19จนถึง22่สธันวาคือคอม m ัดเวิร์กนะครับแล้วเดี๋ยวในไม่นานนี้พี่มิ้งจะมีพอดแคสต์เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งรายการที่ชื่อว่าเทคฮิตอีซีเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแนะนําให้ไปฟังกันนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เจอกันทางโซเชียลปกติที่เราสามารถพูดคุยกันได้พูดง่ายว่ายุคนี้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารเยอะจริงๆ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 คำที่คนพูดกันวันในชีวิตมีทางเลือกมากมายทางเดินของคนต่างมีหลากหลายแต่ว่าสุดท้ายต้องเลือกอะไรสวรรค์มันคงถึงเราของเราคงถึงเวลาต้องตัดสินใจชีวิตของเราต้องมีความหมายในวันสุดท้ายต้องไปให้กล ช่วยอะไรหากไม่ทำมันในวันนี้ไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกนานเพื่ออะไรพรุกงนี้จะเป็นอย่างังที่ฉันตั้งใจพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรให้ฉันเลือกเองแม้ว่าทางจะไกลส่งไกล ฉันแน่ใจในทางที่ฉันเลือกเดินมันใจไม่เคยหยุดอยากส้ดหัวใจเมื่อถึงเวลาแห่งฝันจะไม่ไรีรอรีความันมาเราเกิดมาอาจไมเท่ากันที่เป็นอย่างนั้นฉันก็เข้าใจ แต่เธอไม่ยอมแพ้แมเจียนตายก็คงต้อง ถ, งถึงจุดหมายสักวันก็เวลามันไม่เคยคอย ใ, ใครควมกังวลคงไม่ช่วยอะไรหากไม่ทำมันในวัน